แต่คำว่าหดหูนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะมันเป็นลักษณะแล้วพีนะมิท่มันแทรกเรียกว่าหดหูอันนั้นแปลว่ามันรีรีรีรีรีรรรรรไปเลย ม, มันลักษณะมันหดตัวขึ้นหดตอนแรกมันสว่างมากมันลุกไปหมดเลยใช่แล้วมันหดหดหดหดห ด, ด, ด, ด, ด, ดแล้วแฝบแล้วก็หลับสนิทเลยนะมอดเลยนีเรียกว่าจิตหดแต่ว่าหดนี่ก็เลยภาษาไทยซับเพิ่มมาอีกคํานึงก็หูเพราะหูนี่ไม่รู้หมายถึงอะไรก็ไม่รู้แต่หดนี่มันเห็นชัดแต่หูนี่นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไง เห็นแล้ก็แล้หดหูก็แล้วกันมันหลีไปหมดเลยนะปิดตาปิดหูปิดแล้วก็หดหูนะแต่ว่าแปลน่ะไอ้หดนี่มันเห็นดีเห็นง่ายดีมันหดหดหดหดจากตอนแรกมันคิดจะไกลไกลไกลไกลเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยนะตายาวมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนแล้วมันหดหดหดหดเข้าก็เลยนะตอนแรกนี่หูยาวตามเรื่องไม่ทันหมดเลยนะจิตมันกว้างนะมันหดหดหดหดหดก็เลยหลับเลยนะ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 จิตที่มีสีเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มีเสียงเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มี ส, ขสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงก็คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเป็นต้นถามว่าจิตเหล่านี้เนี่ยนะทําไมเนะาะสัตว์ทั้งหลายจึงคิดว่าวิญญาณ น, นี่เที่ยงจิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันจิตมโนโมณัฐทยะปันฑระมณัมนินทร์มโมนโมโนวิญญาณวิญญาณขันเนี่อันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละก็บอกว่าตอนขามาก็ใจดวงนั้นเนี่ยพามาใช่ไหม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 จุติปฏ so ิสนธิไหลสืบเนื่องกันไปเมื่อปฏิสนธิอย่างลงนามรูปก็อย่างลงถ้านามรูปอย่างลงสลายยตนะก็เจริญขึ้นเมื่อยตนะเจริญขึ้นภาษาก็มีเมื่อมีภาษาก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานเป็นประจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยก็มีปฏิปฏิสนธิจิตเพราะปฏิสนธิจิตอย่างลงอีกอะไร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 น้ำตาใช่ไหมนะจิตตัวนั้นเป็นสมุดฐานให้หลังน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลเท่านั้นนะหลังน้ําตาเสียใจเนี่ยใจที่เกิดพร้อมกับโทมนัสเนี่ยนะเสียน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลเพราะฉะนั้นใครมาอย่ามายุ่งกันแล้วกันอย่ามากวนกันแล้วกันพร้อมที่จะโกรธได้ทันทีเพราะสะสมความโกรธเสียน้ําตามมากกว่าเท่าน้ําทะเลแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่จะเสียใจใช่ไหมชํานาญมากที่นี้ถามว่า ความเสียใจนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากความเพลิเพลินนั่นแหละเกิดจากความเพลิดเพลินนะั้นแสดงว่าถามมันจะต้องหวังมาขนาดไหนจึงจะเสียใจเท่าน้ำตามากกว่ า, าน้ำเทะเลหั้นใจที่เกิดร่วมกับตัณหานี่เคยเกิดมาเท่าใดแล้วเนี่ยนะแล้วใจทุกดวงเหล่านั้นเนี่ยนะเคยเห็นอริยสัจบ้างไหมมีใจที่เป็นโซดาปฏิมักบ้างไหมมีใจที่เป็นสกะทาคา ม, มิมักอานาคา ม, มิมักบ้างไหมไม่มีนั่นก็เป็นใจที่โดยมากก็เกิด พร้อมกับอวิชชาและเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเพราะอาวิชชานี้ถ้าไม่มีจิตมันไม่เกิดหรอกอวิชชามันเกิดร่วมกับจิตนะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาโมหะมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีอกุศลก็ไม่มีโมหานี่นะเพราะโมหะเกิดร่วมกับอกุศลและจิตทุกดวงเมื่อโมหะเกิดขึ้นอย่างนี้นก็ปกปิดความเป็นจริงปกปิดวัตถุและอารมณ์ของจิตปกปิดจิตที่เป็นกรรมปกปิดจิตที่เป็น ี่บากบอกปิดจิตที่เป็นไปสืบเนื่องโดยปัจจัยเนี่ยนะปอกปิดแม้กระทั่งจิตทั้งหลายเมื่อปกปิดไม่ให้เห็นวิญญาณขันตามความเป็นจริงก็เลยเห็นว่าจิตนี่มันเที่ยงเหมือนแน่นอนใครที่พูดว่ารูปเที่ยงเนี่ยนะพอพู้ถูกนะใครที่พูดว่ารูปเที่ยงนี่พอผููถูกทําไมอะ่ะรูปหนึ่งรูปเนี่ยมีอายุตั้งเจ็ดแปดสิบปีใช่ไหมกว่าจะตายนี่อยู่ได้แปดเก้าสิบปีร้อยปีก็มีแต่จิตนะวันหนึ่งเนี่ยท่านวันอังคารโยมมานั่งโยมคิดกี่เรื่องละ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 เจริญจิตบางอย่างควรทำให้แจ้งอกุศลจิตทั้งสิบสองนี้ควรละอวิบากจิตกิริยาจิตเป็นจิตที่ควรกาหนดรู้กุศโจิตเป็นจิตที่ควรเจริญสามัญญผลจิตอริยผลเช่นโสดาปิทิผลจิตเป็นต้นเป็นจิตที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะก็พะนั้นผู้ใดที่ละจิตที่ควรละกําหนดรู้จิตที่ควรกาหนดรู้เจริญจิตที่ควรเจริญ ทำให้แจ้งจิตที่ควรทำให้แจ้งเขาก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ต้องมาแยกจำแนกประเภทของจิตจิตแบบไหนควรละโดยส่วนเดียวควรกีดควรกันไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตแบบไหนควรพ่อพูนควรปกปักรักษาควรเจริญเพราะถ้าเจริญจิตอย่างนี้ได้ถูกต้องจะแยกแยะว่าจิตเหล่านี้จิตเราใดที่เกิดร่วมกับนิวรณ์จิตเหล่านั้นควรละจิตเราใดที่เกิดร่วมกับพ่อชงจิตเหล่านั้นควรเจริญอันนั้นก็จะมาแยก ก็จ ร, จริงๆแลว้วอ่ะในระดับสูงก็เอากลับเล่นกับจิตอย่างเดียวนี่แหละละจิตที่ควรละเจริญจิตที่ควรเจริญเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยนะก็บอกบางคนบอกเฮ้ยจิตนี่เจริญได้หรืออ่ะแล้วโพธิปัยธรรมมันเกิดที่ไหนน่ะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ั้นกุศลธรรมก็มีใจเป็นหัวหน้าอะกุศลธรรมก็มีใจเป็นหัวหน้ามันถ้าละใจที่ควรละได้เนี่ยนะเจริญใจที่ควรเจริญได้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 รู้ชัดนั้นในแง่นิวรจะเป็นอย่างนั้นแล้วโพ่อชองก็เหมือนกันที่ยังไม่เกิดก็เมื่อมีพ่อชองกับไม่มีพ่อชองต้องแยกจิตสองกลุ่มนี้ได้ว่าจิตที่มีพ่อชองกับจิตที่ไม่มีพ่อชองจิตที่มีโพ่อชองที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรก็รู้ชัดจิตที่เกิดขึ้นแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไรก็รู้ชัดเมื่อละนิวรที่ควรละเจริญโพ่อชองที่ควรเจริญเขาก็ชื่อว่าละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญ แสดงว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้าจิตระดับสูงพัฒนาคุณภาพถึงที่สุดเนี่ยนะจิตหลีกออกโดยส่วนเดียวเรียกว่าโคตรภูจิตจิตที่หลีกออกโดยส่วนเดียวเรียกโคตรภูจิตจิตที่หลีกออกทั้งจากนิมิตและก็หลีกออกจากปะวัตตะอันนั้นก็เป็นมัคคจิตเนี่ยนะเพราะัคุณธรรมระดับสูงก็คือการทำให้แจ้งเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย ทำทำยังไงที่จะได้ละจิตที่ควรละเจริญจิตที่ควรเจริญทีนี้ถ้าในสันเลขสูนี่บอกไว้าชาัดเลยว่าจิตตุบาทที่ตั้งไว้เพื่อโพธิปัฏฐิธรรมนี่มีคุณมากเพราะว่าในในอะไรนะอวิเหงสาจิตที่เว้นอ่เวนานา้นจากการนาติบาตเว้นจากอาทินนาทานเว้นจากการมีสุมิจฉาจารหรือเว้นจากการประพฤติอภิรมจร์เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียพดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยา